พระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีสแสดงในวันทาบุญระลึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตถิระณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2503 เนื่องจากพระธรรมเทศนากันนี้ไม่ได้ทำการบันทึกเทปไว้ในระหว่างที่องค์ท่านแสดงธรรมแต่ลูกศิษย์ได้กราบอาราธนาขอร้องให้ท่านพระอาจารย์เขียนพระธรรมเทศนากันนี้ให้ภายหลังจากที่องค์ท่านแสดงธรรมแล้วและได้นามาอ่านเพื่อเป็นธรรมบัร น, นาการวันนี้เป็นวันงานอนุสร์ถึงท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระ ซึ่งบรรดาสานุสิทธิ์ได้เคยถือเป็นวันสำคัญตลอดมาแต่ปลายปีพุทธศักราช2492จากวันท่านมรณะภาพมาจึงได้ถือเป็นประเพณีของทุกท่านที่ได้ถือว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งทางดิปัตสนาธุระในสมัยปัจจุบันฉะนั้นถึงวันขึ้น11ค่ำเดือน3ของทุกปีเข้าแล้วบรรดาสาุสิทิ มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณธรรมเจดีผู้ช่วยเจ้าคณะภาคธรรมยุทธเป็นต้นซึ่งอยู่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุตรธานีท่านยังอุตสาห์มาเป็นประธานในงานนี้ทุกปีไม่ได้ขาดเพราะอำนาจคุณธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของสาธุสิทธิ์ไม่มีวนันจืดจางและหลงลืมคุณธรรมสาคัญของท่านที่เด่นในหมู่สิทธิ อยู่ใกล้ชิดได้ประจักษ์ตาประจักษ์ใจซึ่งได้รับในขณะที่ท่านให้โอววาดในเวลาประชุมมากกว่าธรรมบทอื่นๆก็คือธรรมวพาสิทธิ์ที่ได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนโหติซึ่งแปลเนื้อความตามในยยของท่านว่าเราเป็นนักปฏิบัติต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม จึงจะเป็นที่ไว้วางพระไทยและเป็นการบูชาพระตถ า, าคตเจ้าได้ด้วยข้อปฏิบัติดังนี้สําหรับองค์ของท่านผู้ให้โอวาดปรากฏในความรู้สึกของสาธารณทั่วไปว่าท่านเป็นผู้สมบูรณ์ในธรรมภาปสิตข้อนี้ตลอดเวลาไม่มีความบกพร่องทั้งข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจซึ่งเป็นผลตอบแทนให้ท่านเป็นผู้องค์อาจในถ้ำกลางสงศ์ และประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ท่านยังทำตนเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดจิตใจประชาชนให้สนใจในศาสนาธรรมที่จะนำไปปฏิบัติ ด, ด้วยศรัท ธ, ธาถึงกับได้วางรากฐานคือใจลงในศาสนาธรรมอย่างแน่นแฟน้นไม่เอ็นเอียงในกฎแห่งกรรมซึ่งมีประจําอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาก็หลักแห่งธรรมของผู้ที่จะปฏิบัติตน ให้สมควรแก่ทมเพื่อบูชาพระตถาคตเจ้านั้นก็มีอยู่ทั่วไปในตำราแต่จะขอยกมาสแสดงเพียงเอกเทศพอเป็นทัศนะไนยะแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นใจความย่อๆว่าสุปฏิปันโนการทำการพูดและการคิดพึงให้เป็นไปเพื่อความดีแก่ตนและผู้อื่นตลอดเวลาทั้งที่แจ้งและที่รับ อุชุปฏิปันโนพึงประพฤติตนให้ตรงต่อทางตัดสรุหรือถอดถอนกิเลสอาสวะให้เบาลงจากใจตลอดเวลาทั้งที่แจ้งและที่ลับไม่ปฏิบัติอ้อมค้อมเพื่ออาวิธเครื่องรอดใจญาญาปฏิปันโนพึงประพฤติตนเพื่อความเห็นแจ้งซึ่งสันติธรรมคือพระนิพพานอันเป็นธรรมมีอยู่ในปัจจุบันละจิตไม่ประพฤติกายวาจาใจ ให้เป็นไปเพื่อความลุ่มหลงอันเป็นทางแห่งสังสาระจักคือความหมุนเวียนของสัตว์ผู้ชอบผลดีเลิศแต่ชอบประพฤติทั่วตลอดเวลาสามีจิปติปันโนพึงประพฤติเป็นมัชชิมาสม่ำเสมอในหลักธรรมไม่ยิ่งจนเลยเถิดและไม่หย่อนจนไม่มองดูพระธรรมวินัยอันเป็นหลักมั ช, ชิมาในทางดำเนินเป็นผู้หนักในเหตุผล อันเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมที่พระองค์ทรงรับรองเพื่อความราบรื่นของผู้ปฏิบัตินั้นคือมรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิย่นลงในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่ธรรมที่ทรงเรียกว่ามัชชิมาทรงความเป็นกลางไว้เสมอตั้งแต่ครั้งพุทธการมาถึงปัจจุบันกการและอนาคตการ หลักมัชชีมานี้เป็นคุณสมบัติประจำาศาสนธรรมเมื่อผู้ประพฤติตนให้เป็นไปตามคุณธรรมนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติตนเป็นมัชชีมาอันหนึ่งสาวกของพระพุทธเจ้าก่อนหน้าที่ท่านจะได้ตัดรู้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยธรรมะบทใดธรรมบทนั้นก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันออกจากพระโอษของพระองค์ผู้เดียวฉะนั้นครั้งพุทธกา กับสมัยปัจจุบันจึงไม่มีอะไรแปลกต่างกันในแง่ธรรมและผู้ปฏิบัติพอที่จะให้เกิดความสงสัยในมรรคผลนิพพานอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับว่ามีผลไม่สม่ำเสมอกันความเป็นทั้งนี้ไม่ขึ้นอยู่กับธรรมแต่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติยอมตนตายก่อนเป็นไข้ไม่รับยาความจริงหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ทรงความจริงไว้อย่างสมบูรณ์ก็เนื่องจากอริยสัจสีคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของมีและจริงประจำอยู่ในสัตว์และสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณครองทั่วไปฉะนั้นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงชี้ลงถูกจุดของจริงเสมอไม่มีผิดพลาดตลอดการเพราะอริยสัจคือทุกขสมุ ท, ทยัย อันเป็นสัตยธรรมเบื้องต้นประกาศกลางวานอยู่ภายในใจของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปตลอดเวลาไม่มีเว้นแม้แต่ขณะเดียวเช่นกายของเราทุกท่านตลอดสัตว์ทั่วไปจะอยู่นิ่งๆสบายชั่วขณะเดียวไม่ได้ต้องมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอิริยาบถต่างๆ ต, ตลอดการทํามาหาเลี้ยงชีพไม่มีวันและเวลาหยุดยัง้งจะเป็นทางทุจริต หือสุดจริตก็ตามต้องเป็นเรื่องขนขวายหามาเหยียวยาชาติขันคือกายนี้ทั้งนั้นเพราะร่างกายนี้บกพร่องต้องการอาหารและอยู่ยามาบำบัด ร, รักษาตลอดเวลาการกินอยู่หลับนอนไปมาทุกอาการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องทําเพื่อกายทั้งนั้นนับแต่เรื่องเล็กน้อยถึงเรื่องใหญ่โตจนขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับแย่งไร่แย่งนาที่ดิน ดินศิล์บนฆ่าผู้ฆ่าคนเป็นโจรปล้นบ้านเผาเรือนขนเอาสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำเพื่อนำมาบําบัดทุกข์ในกายทั้งนั้นจึงเห็นได้ว่ากายนี้เต็มไปด้วยทุกข์ไม่มีเวลาบกพร่องพอที่จะให้อริยสัจมีทุกข์ขัดเป็นต้นอันเป็นของจริงประจำศาสนาของพระพุทธเจ้าขาดวักขาดตอนส่วนทุกข์ทางใจที่เรียกว่า อริยศาสตร์ด้วยนั้นก็มีประจําใจของมนุษย์และสัตว์ผู้มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุให้ใจเดือดร้อนขุนมัวไม่มีความสงบสุขอยู่ได้แม้แต่ขณะเดียวแล้วแต่กิเลสมีมากหรือน้อยทุกทางใจนี้ยิ่งเป็นภาระหนักมากกว่าทุกทางกายจนหาสถานที่และโอกาสปลงลงไม่ได้ยิ่งมีความทยานอยากมากก็ยิ่งทุกข์มาก เพราะความอยากเป็นเครื่องส่งเสริมทุกให้มีกําลังเผาผลาญใจตามธรรมดาใจของสามัญชนและสัตว์ถ้าขณะใดทุกไม่ค่อยแสดงขณะนั้นใจก็ไม่ค่อยแสดงความอยากนักพอทุกปรากฏขึ้นภายในใจเท่านั้นใจก็เริ่มแสดงความอยากหนักเข้าจนถึงกับกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาเวลากินอยู่หลับนอนไม่ได้ เลยกลายเป็นโรคทางใจเกิดขึ้นเพราะทุกประดังกันเข้าอันเป็นเหตุที่จะให้ทุกทั้งหลายตามมาเรื่อยเรื่อจนกลายเป็นคนเจ้าทุกไปความอยากซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกทั้งมวล น, นี้ถ้าจะพนานาถึงโตรแท้ของเขาแล้วก็ไม่มีเวลาจบสิ้นได้เริ่มแต่ความอยากให้หายโรคหายภายัยหายทุกร้อนนอนสบายใจต่อลูกโซ่ไปเป็นความอยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากเป็นเจ้าขุนมูลนายอยากเป็นเศรษฐีอาเซียอยากเป็นเจ้าภรยาพระมหากษัตริย์อยากเป็นเจ้าอำนาจวาสนาลุกลามไปจนอยากเป็นเจ้าโลกสงสารสมบัติหมดทั้งขอบเขตจั ก, กรวาลทั่วทั้งไตรภพก็อยากให้เป็นของตนผู้เดียวเรื่องอำนาจเมื่อความอยากขนาดมหือมาได้เป็นเจ้าครองใจแล้วแน่ทีเดียวซึ่งผู้นั้นจะต้องได้รับเคราะห์ประจักษ์ใจ คือความทุกข์ทรมานร้อนสมอยู่ตลอดเวลาไม่มีหมอคนไหนจะสามารถช่วยรักษาให้หายได้ด้วยยาขนาดใดเพราะทุกข์อันเกิดจากโรคทางใจไม่เหมือนกับทุกข์อันเกิดจากโรคทางกายซึ่งพอจะรักษาให้หายได้ด้วยยาความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจและความทยานอยากนี้ทางศาสนธรรมเรียกว่าอริยสัจ จัดเป็นของจริงอันประเสริฐสําหรับนักค้นคว้าหาเหตุผลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ทรงค้นพบเป็นคนแรกแต่ทุกขสัตน์นี้อาจจะกลายเห็นว่าเป็นของปลอมสําหรับสามัญเราและสัตว์ทั่วไปฉะนั้นทุกขทางกายและทุกขทางใจทั้งสองประเภทนี้จึงถูกสาบแช่งจากบรรดาสัตว์ทั่วไปไม่มีใครจะชมว่าเป็นของจริงตามพระพุทธเจ้า และสาวกทั้งหลายแม้แต่คนเดียวจะเห็นได้ในขณะที่ทุกข์เริ่มปรากฏขึ้นทางกายและทางใจในมนุษย์และสัตว์เป็นรายๆไปจะต้องแสดงอาการความไม่พอใจขึ้นทันทีที่ทุกขมาสัมผัสโดยไม่คํานึงถึงหลักความจริงเลยว่าทุกนี้เคยเป็นของมีประจำสัตว์และสังขารมาแต่การไหนๆซึ่งไม่เคยลำเอียงไปตามความตาหนิติชมของผู้ใด เพราะอริยสัจเป็นของจริงอันประเสริฐและเป็นของคงที่เช่นนี้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของประเสริฐไม่เอ็นเอียงไปตามสิ่งแวดล้อมของโลกที่แสดงขึ้นเคลือบแฝงหรือหลอกลวงทุกวิถีทางการที่เราจะค้นคว้าทุกขึ้นมาเป็นของจริงณนะภายในใจของเราได้ตามพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นผู้หนักในเหตุผล ไม่ควรถือว่าทุก์เป็นค่าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อปัญญาคือมักที่ให้นามว่าเป็นอริยสัจข้อหนึ่งในอริยสัจส์4เพราะปัญญานี้เป็นเหมือนกระจกเงาที่สามารถที่สุดในการที่จะพิสูจน์ทุกทางกายและทุกทางใจว่าเกิดขึ้นจากอะไรและจะดับไปได้โดยวิธีใดก็จะชื่อว่าทาตนให้เป็นอริยสัจ ตามทางของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายการทําตนให้เป็นอริยสัตว์นั้นเบื้องต้นต้องรู้ก่อนว่าอริยสัตว์คืออะไรมีเท่าไหร่และอยู่ที่ไหนลําดับต่อไปต้องรู้ว่าอริยสัตว์คือของจริงอันประเสรศิฐมีสี่อย่างคือทุกได้แก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจหนึ่งสมุทยัยได้แก่เหตุเกิดทุก หรือแดนเป็นที่เกิดแห่งทุกข์หนึ่งนิโรธได้แก่ความดับทุกข์และมรรคได้แก่ข้อปฏิบัติเพื่อแก้ทุกข์หรือทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์หนึ่งอริยสัจทั้งสนี้มีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้ดังนั้นกายใจจึงเป็นเรือนของอริยสัจสี่อย่างสมบูรณ์ใครจะรู้ว่าอริยสัจมีอยู่ในตนหรือไม่ก็ตามอริยสัจ ต้องมีอยู่แท้เช่นเดียวกับแร่าธาตุต่างๆที่มีอยู่ในแผ่นดินใครจะรู้หรือไม่รู้ว่าแร่าธาตุต่างๆนั้นมีอยู่ในแผ่นดินก็ตามแร่าธาตุนั้นๆก็คงมีอยู่โดยแท้เมื่อเราทําความเข้าใจว่าอริยรรสัจสี่กับตัวของเราเป็นธรรมแท่งเดียวกันไม่อยู่ห่างไปจากตัวเราหรือแยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนแล้วการละสมัย หรือสถานที่ที่เราจะต้องพิจารณาอริยสัจให้เป็นของมีคุณค่าหรือพิจารณาตัวของเราให้มีคุณค่าตามเป็นจริงอย่างประเสริฐเราก็หมดปัญหาข้อข้องใจในตัวเราเองแม้จะเพ่งเล็งไปถึงพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านตรัสรู้ไปแล้วท่านก็ไม่ตรัสรู้นอกเหนือไปจากมงแห่งอริยสัจซึ่งเป็นของมีอยู่ในองค์ของท่านและมีอยู่ในตัวของเรา อย่างสมบูรณ์ในลำดับต่อไปเราจะได้ตั้งหน้าขุดค้นทุกข์สัตย์และสมุทัยสัตว์อันเป็นธรรมของจริงมีอยู่กับเราด้วยสติปัญญาอันเป็นของจริงมีอยู่กับเราอีกเช่นเดียวกันว่าทุกและสมุทยัยอันเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาปรากฏขึ้นที่กายที่ใจของเราเวลานี้เกิดขึ้นเพราะอะไรหรือสัญจรมาจากไหน ก็จะได้ความไปโดยลำดับตามทางเป็นมาของทุกข์และสมุทยอย่างแท้จริงว่าเรื่องที่จะประสบทุกข์ก็เพราะความหลงกายซึ่งเป็นรังหรือเรือนของทุกข์เหตุที่จะหลงกายก็เพราะความหลงจิตเหตุที่จะหลงจิตก็เพราะอาวิชชาความไม่รู้เท่าจิตว่าเป็นอะไรนั่นเองความหลงทั้งนี้ท่านเรียกว่าสมุทยคือรังเรือนของกิเลส อันเป็นตัวเหตุให้ก่อภพก่อชาติกลายเป็นชาติทุกข์ชาราทุก์มรณะทุกข์โสกะปริเทวทุกข์เป็นต้นต่อลูกโซ่กันไปเป็นถิ่วแถวเป็นแนวทางของวัฏตะอย่างยืดยาวนอกจากจิตผู้ลุ่มหลงจะท่องเที่ยววกเวียนไปมาในกองทุกขอันนี้แต่ผู้เดียวแล้วพระพุทธเจ้าหรือสาวกองค์ไหนจะมาเดินร่วมทางเล่า ผู้รู้ขุมโลกันตะนรกของมนุษย์และสัตว์ผู้จะต้องทนทุกข์ทรมานทั้งเป็นทั้งตายไม่มีวันพ้นโทษไปได้นี้ก็คือพระพุทธเจ้าในสาวกอาราหันเท่านั้นไม่มีใครรู้เหนือไปกว่าท่านปัญหาเรื่องกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้จึงตกเป็นภาระของเราจะต้องพิสูจน์ด้วยปัญญาของเราเองเมื่อเราพิสูจน์ตัวของเราว่าเป็นมาจากความลุ่มหลงตนเองแล้ว เราก็ค้นไปตามสาขาของความหลงจนกว่าจะพบความจริงเป็นชั้นๆในที่นี้จะยกกายซึ่งเป็นตัวทุกขัขย์ขึ้นพิจารณาเพื่อเป็นทางเดินของสติปัญญาเป็นลำดับจนกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงในกายเท่าที่ปัญญาจะสามารถรู้เท่าหรือปล่อยวางได้การกำหนดพิจารณากายต้องพิจารณาโดยทางบริกรรมในอาการของกาย มีเกษาโลมาณขาทันตาตะโจเป็นต้นอาการใดก็ได้ตามแต่จริบชอบหรือจะกำหนดลมหายใจตามด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ทั้งนี้ต้องมีสติบังคับใจจริงๆเมื่อใจถูกผูกมัดด้วยบทธรรมอย่างแน่นหนามั่นคงใจจะได้รับความสงบสุขและหยุดจากการเที่ยวเร่ร่อน วุ่นวายกลับเข้ามาอยู่เป็นอารมณ์อันเดียวมีความสงบสุขเป็นผลนี่คือเบื้องต้นแห่งการหักห้ามวัตะคือความหมุนของใจให้เข้าอยู่ในความสงบบางท่านอาจจะพิจารณาเห็นอาการของกายอาการใดอาการหนึ่งชัดขึ้นที่ใจเลยก็ได้แล้วสามารถแยกอาการของกายนั้นๆให้เป็นของปฏิกูลโสโครก และน้อมเข้าสู่ใรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาประจักโดยทางปัญญาขึ้นพร้อมๆกันไปกับความสงบก็ได้ใจจะเป็นสมาธิขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะอํานาจปัญญาเป็นเครื่องอบรมที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเป็นของมีได้ในท่านผู้ปฏิบัติผลรายได้เป็นอันเดียวกันคือความสงบใจจากกิเลสเป็นลาดับ ข้อสำคัญขอให้เป็นไปในทางเหตุผลเพราะสันทิฏฐิโกคือความเห็นเองที่เกิดขึ้นจากเหตุผลมีอริยสัจสี่เป็นขอบเขตพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดแต่พระองค์เดียวผู้ปฏิบัติตามพระองค์จริงๆเป็นผู้มีสิทธิจะพึงได้รับผลจากสันทิฏฐิโกโดยทั่วหน้ากันตามกำลังแห่งความสามารถของตนของตนเช่นเดียวกับสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ ไม่เช่นนั้นพระธรรมบดว่าอากาลิโกพระธรรมมีอยู่ตลอดกาลหรือว่าสวากขาตธรรมก็เป็นโมคะธรรมไปเท่านั้นเมื่อใจปรากฏมีความสงบความสงบนี้จะเป็นเครื่องเพิ่มกําลังทางความเพียรอุตสาหทุกวิถีทางทั้งจะเป็นกําลังทางสมาธิและทางปัญญาความไตรจองในธาตุขันธ์ของตนและคนอื่นสัตว์อื่นโดยทางตั๋วหลัก จนเป็นที่ประจักษ์กับใจทุกเวลาแต่พึงทราบว่าจริตของนักปฏิบัติไม่เหมือนกันผู้ที่จิตสงบได้ด้วยคำบริกรรมทางส ม, มถะเมื่อสงบเต็มที่แล้วมักจะติดในความสงบเมื่อจิตถอนขึ้นจากสมาธิแล้วจงพิจารณากายด้วยปัญญาโดยทางไตรลักษณ์ผู้ที่มีความสงบโดยทางปัญญาไม่ค่อยติดในสมาธิแต่ทั้งสองจริตนี้ จะต้องใช้ปัญญาเพื่อวิปัสสนาอย่านอนหรือติดในสมาธิซึ่งเป็นธรรมอาศัยการพิจารณากายจะพิจารณาอาการเดียวหรือมากอาการก็ตามจะต้องรู้แจ่มแจ้งไปในอาการอื่นๆโดยทางใจรักเช่นเดียวกันอันหนึ่งความชำนาญของสมาธิหมายถึงให้รวมสงบลงได้ตามต้องการทุกเวลาความชำนาญของปัญญา ที่เป็นไปในทางกายหมายถึงแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งกายให้แตกทำลายเป็นต้นได้ทุกเวลาที่ต้องการจนสามารถมองดูคนและสัตว์ให้เห็นเป็นเช่นกับกายของตนที่เคยเห็นมาแล้วอย่างใดในทางตรอยลักษณ์ข้อสำคัญอย่าพึงหมายตำรามาเป็นความรู้ของตนจะไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแต่อย่างใดจงกำหนดพิจารณาให้รู้เห็นด้วยตนเอง จึงจะเป็นสมบัติของตนและรักษาตนให้พ้นภัยได้กายนี้ถ้าเห็นจนติดใจแจ้งชัดด้วยปัญญาจริงๆแล้วจะทนต่อความสลดสังเวชตนและคนอื่นซึ่งเขามีกายเช่นเดียวกับตนไม่ได้และจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดยินดีในกายถอนอุ ป, ปาทานความถือมั่นในกายออกจากใจหมดภาระของใจไปพักหนึ่ง ซึ่งเคยถือเป็นภาระอันหนักยิ่งกว่าภาระใดๆในโลกการที่จะผ่านภาระหนักคืออุปาทานความถือกายไปได้ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านทุกของกายผ่านสมุทยัยความถือมั่นในกายและผ่านนิโรธความดับอุปาทานของกายด้วยปัญญาอันเป็นอริยสัจ ท, ที่4ี่ในการรือ้อสัจจะทั้งสคือทุกสมุทยัยนิโรธให้ประจักษ์ใจได้ เพราะฉะนั้นอริยสัจ ท, ทั้งสผู้ปฏิบัติทําให้แจ้งด้วยปัญญาแล้วจะสามารถส่องแสงสว่างให้ทั่วถึงกันไปตลอดหมดเพราะอริยสัจสี่เป็นธรรมเกี่ยวโยงถึงกันเหมือนลูกโซ่จะถูกหรือผิดขอประธานโทษนักปฏิบัติผู้ทําด้วยตนเองรู้เห็นขึ้นจำเพาะตนเองได้ผลอย่างไรหากว่าอริยสัจอันเป็นสมบัติของท่านผู้ทําจริง ได้รู้เห็นขึ้นในใจตนเองอย่างไรแล้วอริยศสัสีนี้ยังจะกลายเป็นธรรมคู่วิวาดกันอยู่แล้วผู้แสดงพร้อมที่จะยอมจำนนตนเพื่อความศึกษาตามข้อขัดแย้งนั้นๆอย่างเต็มใจและขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งต่อท่านผู้ชี้ช่องบอกทางแต่จะหยิบยืมสมบัติของคนอื่นมาเพื่อจะยกตนเป็นเศรษฐีอวดโลกให้เขาอัศจรรย์นั้นไม่ชอบด้วยเหตุผล ซึ่งต่างฝ่ายต่างมุ่งทรรมคือความจริงด้วยกันจึงควรเว้นให้หา่างไกลที่แสดงมานี้จัดเป็นอริยสัจขั้นหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับกายในขั้นต่อไปเป็นอริยสัจที่เกี่ยวกับใจล้วนๆ้วนเมื่อใจหมดกังวลในการอยากรู้อยากเห็นกายเพราะอานาจแห่งปัญญาความเห็นแจ้งได้อย่างลงแล้วในกายพร้อมทั้งการรื้อถอนรากเหง้าคืออุ ป, ปาทาน ขึ้นจากกายแล้วจากนั้นไปใจจะหายกังวลในกายนอกแต่จะสนใจในกายในซึ่งเป็นภาพสืบเนื่องมาจากกายนอกกายตนนั่นเองว่าปรากฏอยู่จำเพาะใจเช่นเดียวกับกายนอกปรากฏแต่มีความรู้สึกในภาพว่าเป็นของเกิดขึ้นจากใจโดยตรงไม่สำคัญว่ามาจากไหนสรุปความแล้วเรียกว่าใจเราเอง ประดิษ์ภาพขึ้นหลอกตนเองแต่เมื่อปัญญาความรอบคอบยังไม่เพียงพอก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภาพนั้นด้วยปัญญาต่อไปและยอมให้ภาพซึ่งปรากฏอยู่ภายในใจหลอกลวงไปก่อนจนกว่าจะพิจารณาให้ชำนาญและพบปะข้อเท็จจริงจากภาพนั้นๆการพิจารณาภาพภายในคงดําเนินไปในทรรนองเดียวกันกับภาพภายนอกคือเพ่งกําหนด ให้ตั้งอยู่กับใจและแยกขยายทำลายลงไปแล้วตั้งขึ้นทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาโดยความเป็นไตรลักษณ์จนกว่าจะรู้เท่าและปล่อยวางได้หรือภาพจะดับไปจากใจไม่ปรากฏเพราะความละเอียดของใจเมื่อภาพทนต่อการเพ่งพิจารณาด้วยปัญญาไม่ได้ก็จะเสื่อมสูญหรือแปรปวนไปจากใจเวลาที่ภาพภายในหายไปแล้ว ใจจะไม่มีนิมิตอะไรเป็นเครื่องหมายจะเป็นศูญยากาศว่างเปล่าจำเพาะใจตลอดเวลาสิ่งที่จิตจะสนใจและถือเอาเป็นอารมณ์คือนามธรรมาได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและความว่างเปล่าซึ่งเกิดขึ้นจำเพาะใจส่วนกายทั้งกายในทั้งกายนอกได้รู้เท่าและสูญหายไปแล้วไม่มีนิมิตใดๆเหลืออยู่ภายในใจ แม้จะปรุงเป็นนิมิตขึ้นมาก็เพียงปรากฏชั่วขณะแล้วก็ดับไปใจจึงมีความว่างเปล่าเป็นอารมณ์การตามรู้ตามเห็นนำ ม, มารมคือความว่างเปล่าและเวทนาสัญญาทั้งขาญและวิญญาณซึ่งเป็นธรรมใกล้ชิดสนิทกับใจและเกิดเกิดดับๆับอยู่กับใจตลอดเวลาด้วยปัญญาก็ไม่มีเวลาหยุดยัง้งทั้งกลางวันกลางคืน ยืนเดินนั่งนอนจนสามารถรู้ชัดในความเคลื่อนไหวของความว่างและขันนั้นๆทุกขณะที่เคลื่อนไหวว่าเกิดขึ้นมาจากไหนและขณะที่ดับแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นต้นเมื่อปัญญาพิจารณาอยู่อย่างไม่หยุดยัง้งก็รู้ชัดว่าแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดความว่างเปล่าซึ่งมีประจาใจก็ตกอยู่ในตราักษ์ไม่เป็นที่ไว้ใจ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันจะเป็นขันประเภทใดก็ตามย่อมเกิดขึ้นเพื่อดับไปโดยประการทั้งปวงเมื่อปัญญาค้นคิดถึงหลักความจริงของสภาวธรรมมีขันเป็นต้นอยู่เช่นนี้ไม่มีเวลาหยุดจิตก็เกิดความเบื่อนหน่ายในขันตลอดสภาวธรรมทั่วไปเมื่อเบื่อนหน่าย ย่อมคลายความกำหนัดยินดีจิตย่อมรู้เท่าขันและสภาวะที่ขันประดิษฐ์ขึ้นเมื่อพิจารณามาถึงที่ประชุมแห่งขันหรือที่รวมแห่งสภาวะธรรมนี้ถ้าปัญญาไม่รอบครอบจริงๆจิตอาจจะเกิดความสำคัญขึ้นในตนว่าสิ้นกิเลสอาสวะถึงนิพพานทั้งเป็นแล้วติดข้องอยู่เพียงแค่นี้ก็ได้และเพราะความไม่รอบคอบอันนี้นอกจากจะสำคัญตนแล้ว ยังอาจจะระบายอารมณ์ที่เป็นกิเลสอันละเอียดยิ่งซึ่งตนไม่สามารถรู้ทั่วถึงนี้ให้คนอื่นฟังแล้วเกิดความสำคัญผิดไปทำตามกันก็ได้เพื่อการแก้ปัญหาอันลึกลับซับซ้อนที่ฝังอยู่กับใจอย่างแนบสนิทให้กระจางขึ้นตามเป็นจริงจึงขอยกข้ออุ ป, ปมาขึ้นเทียบเคียงพอเป็นหลักฐานเช่นคนเราทุกคนที่มีในตาดีย่อมสามารถมองเห็นรูป ซึ่งเป็นวิสัยของตาได้เท่าที่สายตาจะสามารถและอาจเห็นชัดไปตลอดสีสันวันณนะไม่มีประมาณแต่ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าและลูกตาของตนเองได้ฉะนั้นจึงต้องนำกระจกเงามาส่องดูก็จะมองเห็นใบหน้าพร้อมทั้งลูกตาของตนเองอย่างชัดเจนฉันใดกระจกเงาคือปัญญาก็ฉันนั้นใจที่สามารถรู้เท่าขัน และสภาวะธรรมทั่วไปเพียงเท่านั้นยังไม่กัดว่าเป็นความฉลาดรอบครอบพอเพราะยังไม่ได้นำกระจกเงาคือปัญญามาส่องดูใจของตนเองว่ามีอะไรดีในใจนั้นสภาวะธรรมมีขันห้าเป็นต้นเป็นของนอกจากใจจึงพอพิจารณาได้ส่วนใจเป็นของลึกซึ้งมากยากที่จะเห็นได้ฉะนั้นต้องใช้ปัญญาทวนกระแสเข้าไป พิจารณาใจให้เห็นชัดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและสภาวะธรรมทั่วไปไม่ใช่กิเลสอันแท้จริงเป็นแต่อาการของจิตและสภาวะอันหนึ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ตามธรรมดาของเขาเท่านั้นหาใช่ตัวกิเลสและบาปธรรมที่ไหนไหม่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสภาพทั้งหลายมีขันเป็นต้น ก็มีอยู่อย่างนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งทั้งนี้แสดงตนเป็นยักษ์เป็นมารเป็นกิเลสทำความขุ่นมัว kins, แก่พระองค์ให้ลุม่มหลงตามเขาแต่อย่างไรการอธิบายหรือการพิจารณาอย่างนี้ <_ Myster ious> เพื่อจะให้เห็นโทษของใจผู้ฉลาดแต่ไม่มีความสามารถรู้เท่าหรือปล่อยวางตนเองจึงควรให้นามว่าใจอวิชชาหรือสังสารจิตผู้ปฏิบัต เพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์จึงไม่ควรนอนใจในจิตดวงนี้ซึ่งมีความสว่างไสวเต็มไปด้วยเจ้ามารยานี่คืออมตะของวัฏจักรจงกำหนดให้รู้เท่าเสมอด้วยสภาวะธรรมทั้งปวงไม่เช่นนั้นจะติดและถือมั่นในจิตดวงนี้เป็นอุ ป, ปาทานในจิตถอนตัวไม่ขึ้นฉะนั้นจงตั้งจิตดวงนี้ลงสู่เป้าหมาย แล้วจึงยิงจิตดวงนี้ด้วยปัญญาวุฒะอาวุธคือปัญญาไม่หยุดยัง้งเมื่อจิตดวงนี้ถูกกระสุนปืนคือปัญญาม้วนตายลงกับที่แล้วจะ ก, กลายเป็นนิพพานหัวต่อขึ้นมาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็ขอให้รู้ประจักษ์ใหญ่ของนักปฏิบัติสักทีเถอะเพราะจิตดวงนี้ส่งไว้ซึ่งความอัศจรรย์หลายอย่างคือความผ่องใสความองอาจความมีสติสมประชัญญะ ความสว่างสวัยความเฉลียวฉลาดเป็นจุดผู้รู้เด่นดวงเหมือนหนึ่งบริสุทธิ์เอาเสียจริงๆจึงน่ากระยิมยิ้มย่องของนักปฏิบัติไม่มีอิ่มตลอดเวลานี่คือเหยื่อล่อของอาวิชาซึ่งจะล่อปลาให้ติดเบ็ดฉะนั้นเราไม่ใช่ปลาจงพิจารณาให้ถี่ถ้วนในกลนมารยาของจิตดวงนี้พึงทราบอีกครั้งว่าจิตอันเด่นดวง ส่งไว้ซึ่งความอัศจรรย์หลายอย่างนี้คือสหายของอวิชชาสวะผู้ต้องการฆ่าอาวิชชาสวะจงฆ่าหรือทำลายจิตดวงนี้ให้แตกกระเด็นอย่ามัวถือเอาไว้จะเป็นภัยแก่ตนเองเมื่อจิตดวงนี้ได้ถูกปัญญาทาลายแตกกระเด็นไปแล้วอวิชชาสวะซึ่งเป็นเจ้าใหญ่นายโตของสังสารจักก็จะแตกกระเด็นไปทันทีแต่ถ้าผู้ใดถึงหวงเอาไว้ ผู้นั้นชื่อว่าหึงหวงอวิชชาสวะไว้โดยแท้ไม่สามารถยกตนให้พ้นจากทุก์ไปได้ตลอดการไหนๆดังนั้นผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารจงพยายามทำให้แจ้งซึ่งวัฏฏะจิตดวงนี้เมื่อกำลังสติปัญญาและความเพียรเป็นไปอยู่ในอริยาบททั้งหลายไม่หยุดยั้งตลอดเวลาความเห็นแจ้งในสังสารจิต ดวงเป็นสหายของอวิชชานี้ก็ปรากฏขึ้นอย่างไม่มีใครคาดหมายว่าจะเป็นไปได้พร้อมทั้งจิตดวงเป็นอมตะของวัฏ ต, ตนี้ก็ได้ถูกทําลายด้วยมรคยานสิ้นสุดตรงเพียงขณะเดียวเท่านั้นจิตก็เห็นโทษแห่งความหลงในสภาวะธรรมมาแต่การไหนๆและเห็นโทษแห่งความหลงวัฏ ต, ตจิตมันเป็นบ่อแห่งอวิชชาและมานะ ที่ซ่องสุงมอยู่อย่างน่าใจหายทั้งเห็นคุณในธรรมทั้งหลายที่ได้พยุงจิตให้รอดพ้นจากมหาโลกันตะนรกอวิชชาสวะบ่อมืดแปดด้านขึ้นมาดำรงตนอย่างอิสระเสรีที่น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยประสบมาแต่การไหนความเห็นโทษแห่งความหลงกับความเห็นคุณแห่งความรู้ได้ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันหลังจากนั้น จิตจะได้ปรองธรรมสังเวชในการท่องเที่ยวของจิตภายใต้อํานาจของอวิชชาเป็นผู้นําเช่นเดียวกับเขาเลี้ยงสุกรไว้เพื่อฆ่าเป็นอาหารด้วยแกลบปั๊มเชนั้นเพราะฉะนั้นรสชาติอํานาจวาสนาของอวิชชาเห็นว่าเป็นสิ่งที่หนักหน่วงสามารถทวงจิตใจของบรรดาสัตว์ให้จมลงในสังสารจักรความหมุนเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ เปลี่ยนรูปร่างกลางตัวเปลี่ยนอาหารการเลี้ยงชีพและเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยไปอย่างไม่มีใครจะสามารถมองเห็นเงื่อนต้นท่ามกลางและเงื่อนปลายแห่งความเป็นมาในพบของตนได้มี่โลกันตักของใจเห็นได้ทุกคนไม่ต้องถามใครแม้จะมีผู้ชี้บอกว่าท่านเคยเป็นมาอย่างนั้นๆในพบนั้นๆจนมาถึงพบนี้เป็นต้น ก็ยากที่จะมีผู้เชื่อและทำตามทั้งนี้จะเห็นได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ความเป็นมาและความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายทุกๆคำพีปริมาณได้ 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่ชี้ช่องบอกทางให้สัตว์ทั้งหลายดำเนินตามด้วยสวากขาตะรมทำที่พระองค์ตรัส ด, ดีแล้วทั้งนั้นแต่ผลที่ได้รับก็มีจานวนน้อยทั้งนี้ กล่าวถึงอำนาจความดึงดูดของอวิชชาเพื่อต่างจะได้หาหนทางแก้ไขให้พ้นภัยเป็นสุขแก่ตนชั่วกันปาวะสารในขณะเดียวกันจะได้มองเห็นสภาวะธรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมมารมณ์และตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นสภาพมีอยู่ทั้งภายนอกภายในโดยทั่วไปอย่างเป็นธรรม ราศจากการตําหนิติชมในสภาวะนั้นนั้นเพราะมาเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบแล้วแม้อริยสัจสี่คือทุก์สมุทัยนิโรธมักซึ่งเป็นคู่ตําหนิติชมตามสัจจะที่มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็กลายเป็นความจริงตามส่วนแห่งสัจจะนั้นนั้นเนื่องจากจิตที่ควรแก่ตนเองและธรรมทั้งหลายสิ่งที่เคยเป็นปัญหาและเคยเป็นค่าศึก ก็ยุติขันลงได้เพราะใจดวงเดียวหมดปัญหาในตนเองแล้วและเนื่องจากธ ร, รมบทพุทธคุณว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกแยกเป็นคุณสมบัติของนักปฏิบัติก็คือรู้แจ้งาธาตุขันอายตนะตลอดสภาวะธรรมทั่วทั้งไตรโลกาธาตุประจัก์ด้วยปัญญาไม่มีปิดบังลี้ลับและลุ่มหลงอยู่ด้วยความรู้เท่าโลกตลอดเวลาสุขโต แยกเป็นไปดีมาดีทุกอาการที่เคลื่อนไหวทางกายวาจาใจไม่เป็นภัยแก่ตนเองทั้งการทำการพูดและการคิดทางใจก็ไม่มีเรื่องกดขี่บังคับตนเองในทางอารมณ์ทมทั้งนี้เป็นอากาลิโกอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้สนใจใคร่ปฏิบัตินับแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงสมัยปัจจุบันทมที่เป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโก เอหิป eh ัสสิโกโอปะณิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิไม่เคยละกฎบาทหรือคุณภาพมีอยู่อย่างสมบูรณ์ทุกท่านที่มีร่างแห่งอริยสัต์คือกายใจประจำตนเป็นผู้ควรจะได้รับผลอยากทำตามกำลังแห่งความเพียรเมื่อได้คลี่คลายร่างอริยสัต์นี้ออกปฏิบัติ ด, ดูและใครควรด้วยปัญญา ข้อสำคัญที่ควรทราบก็คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจกับธรรมเป็นเครื่องแก้คือศีลสมาธิปัญญาในครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันเป็นธรรมแท่งเดียวกันพระองค์ไม่ได้แบ่งภาคแบ่งส่วนหนักเบาไว้เพื่อคนสมัยนั้นนั้นซึ่งพอที่ผู้ปฏิบัติจะถือเป็นความหนักใจในแง่ธรรมที่จะพึงให้ผลว่าเป็นธรรมหนักเบาไปตามสมัยไม่คงที่ ข้อนี้พึงทราบในาศาสนธรรมที่เป็นหลักธรรมประจําศาสนาของพระองค์ย่อมทรงไว้ซึ่งมัชชิมาคือเป็นธรรมสายกลางเสมอมาทุกยุคทุกสมัยถ้าผู้ปฏิบัติตนเป็นมัชชิมาตามธรรมสายกลางที่ทรงสั่งสอนไว้ผู้นั้นจะต้องได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนจากศาสนธรรมเช่นเดียวกับสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่บัดนี้ จวนเวลาแล้วขอย้อนคืนอธิบายทมข้างหลังสักเล็กน้อยเพื่อท่านผู้ฟังจะได้แจ่มในธรรมของคนป่าในบทว่าจุดผู้รู้อันเด่นดวงก็ดีสังสารจิตก็ดีอมตะตังของวัด ต, ตะก็ดีพึงทราบว่าเป็นไวพ์ของอาวิชชาจิตที่ว่านี้ไม่ใช่จิตเดิมแท้จึงดับได้สลายตัวไปได้ยังกับมีปีกเมื่อรู้เท่าทัน ถ้าหลงก็แน่นหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกขอยกรูปเปรียบจิต ด, ดวงนี้เป็นเช่นเดียวกับจอกหรือแหนที่ปกคลุมน้ำที่ใสสะอาดไว้ไม่ให้มองเห็นน้ำนั้นได้ชัดเจนผู้ต้องการด้วยน้ำจึงควรรื้อจอกหรือแหนสาหร่ายซึ่งปกคลุมอยู่บนน้ำนั้นออกเสียแล้วใช้อากดื่มน้ำนั้นได้ตามสบายชั้นใด จิตที่เป็นไวยพธของอวิชชาก็ฉันนั้นจึงเป็นจิตที่ควรรื้อถอนเพราะเป็นจิตที่ปิดบังธรรมของจริงไว้ไม่ให้อัตตังที่แท้จริงปรากฏแก่ผู้ต้องการรถที่เป็นอมตตังของพระนิพพานซึ่งเป็นรถยอดเยี่ยมเหนือรถใดๆนิพพานังประมังสุขงังจึงไม่ควรยินดีในจิตดวงนั้นตำราท่านกล่าวเรื่องจิตประเภทนี้ไว้ว่า เป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์เข้าไปรวมเป็นจุดผู้รู้ไว้เป็นผู้รู้ที่เด่นดวงที่อธิบายมานี้โดยมากเป็นธรรมะป่าป่าทั้งผู้แสดงเพราะปกติก็อยู่ในป่าไม่ค่อยได้เห็นความเจริญของสังคมและบ้านเมืองที่ท่านเจริญแล้วท่านนิยมกันอย่างไรในสำนวนโวหารอัถบาลีคมภีพระไตรปิฎกได้ยินแต่ชื่อและป่าทั้งธรรมที่นามาแสดง แล้วแต่คว้าถูกมือเก็บได้ตามป่าตามภูเขาก็นำมาแสดงตามความรู้สึกของวิสัยป่าหากว่าไม่เพลาะเพาะพริ้งด้วยสำนวนโมหานและอัดธรรมบทใดหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วถึงกันตามที่ได้อธิบายธรรมภาสิท ธ, ธรรมานุธรรมะปฏิปันโนโหติการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ชื่ว่าเป็นการบูชาพระตถาคตเจ้าได้ด้วยข้อปฏิบัติดังนี้ก็นับว่าสมควรแก่เวลาขอบุญญาณุภาพอันเกิดแต่การแสดงธรรมในวันนี้จงสำเร็จเป็นธรรมวัฒน์สวยะ อ, อนิสง์แด่ท่านผู้ฟังทุกทั่วนหน้าโดยนายะที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการชนนี้